ท่านพระเถรานุเถระซึ่งมีท่านคณะบดีคณะคารุศาสตร์ท่านพระครูโสพลพุทธิศาสตร์เป็นต้นเป็นประธานทั้งผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษานักเรียนฝ่ายบัณชิต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 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีอายุครบห้าสิบหกปีเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดด้านศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์มายาวนานมีสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันจำนวนมาก และวันนี้หลายท่านได้คืนสู่เย้ามาแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อคณะและครูบาอาจารย์ได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อจะได้อุทิศแด่บุพการีบุรพาจารย์ที่ร่วงลับไปเป็นการ สร้างแบบอย่างของครูที่งดงามดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้คณะครุศาสตร์มีวันนี้ก็เพราะผู้มีอุปการะคุณมากมายทั้งอดีตและปัจจุบันมาทาบุญ ทั้งถวายทานและฟังการบรรยายเป็นการพัฒนาปัญญาถวายผ้าไตรจีวรได้อานิสงก็คือวันโทโหติวัฏทโทถวายผ้าทำให้ผิวพันุ์งดงาม พระภิกษุสมเนจรคลองผ้าใหม่ลาสีผ้าเหลืองจับผู้ถวายก็ได้วั น, นะงดงามผิวพรรณงดงามความสวยงามเป็นอานิสงต่อแต่นี้คณะครุศาสตร์ก็จะงดงามยิ่งขึ้นมีนิวลุกปรับใหม่หลายๆายอย่างเพื่อ เดินต่อไปอย่างงดงามข้างหน้าเราก็มองย้อนหลังซะหน่อยเรียกว่าเหลียวหลังเพื่อแลหน้าดูไปข้างหน้าคณะครุศาสตร์เป็นคณะที่จัดการศึกษามากระดับที่สุดดังที่ท่านคณะบดีได้กล่าวรายงานในที่ประชุม จัดตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงปริญญาเอกวันนี้ก็นำนักเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตสมนีน้อยเนี่ยมาร่วมงานเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจโดยได้ เดินตามรอยครูบาอาจารย์ต่อไปมีทุกระดับตั้งแต่นักเรียนนักศึกษานิสิตบางคณะไม่มีนักเรียนบางคณะไม่มีนักศึกษาและก็นักเรียนแต่คณะนี้มีครบใครที่มาอยู่มหาจุฬาก็ต้องเรียกให้ถูก นิสิตเรียกระดับไหนนักศึกษาเรียกระดับใดมันมีวัฒนธรรมองค์กรสืบทอดกันมาแต่ก่อนเนี่ยมีแต่นิสิตอย่างเดียวไม่มีนักศึกษาในมหาจุฬาเนี่ยนิสิตเป็นการเรียกผู้เรียนในระดับปริญญาตรีของมหาจุฬา ต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยมีสองคำนิสิตกับ น, นักศึกษานิสิตแปลว่าผู้อาศัยผู้อาศัยอยู่ภายในสถาบันพึ่งพลาสถาบันเขาใช้หมายถึงเบื้องต้นเนี่ยคือมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มี หอพักแล้วก็มีผู้เรียนเนี่ยพักอาศัยเหมือนโรงเรียนประจำเนี่ยเขาเรียกนิสิตเหมือนอันเตวาสิกะนะพระเราจะเรียกอันเตวาสิกอยู่ในสำนักอยู่ในวัดเราต่อมาไม่ได้มาอยู่ในหอพักแต่เดินเรียน มาจากบ้านมาเรียนเขาเรียกนักศึกษาเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไหนที่ตั้งใจให้มีหอพักมักจะเรียกนิสิตในช่วงต้ น, นถามว่ามหาจุลามีหอพักไหมตอนเปิดวัดมห า, าธานตะุโอ้โหต้องกี่คณะนะชี้ไปทางไหนก็หอพักหมดแหละนิสิตมหาจุลาส่วนใหญ่อยู่วัดมห า, าธาตุ เพราะจำนวนน้อยสมัยโน้นเนี่ยและเราจะรู้ว่าองค์ไหนอยู่วัดมหาธาตุก็ตอนที่เข้าห้องช้าก่าเพื่อนอยู่ไกลก่าจะเดินมาเข้าห้องเรียนเนี่ยอาจารย์บอกอยู่วัดไหนวัดมหาธาตุสอนไปแล้วค่อยมาเราจะแซวกันอย่างนี้ก็หงหมายถึงนิสิตนะนะส่วนมหาวิลลยที่ไม่มีหอพัก เราเรียกนักศึกษาแต่มหาจุฬาทำไมมีนักศึกษาตอนแรกก็มีแต่นิสิตคณะพุทธศาสตร์คณะคารุศาสตร์เป็นคณะที่สองคณะพุทธศาสตร์ก็2490เนี่ยต้องถือว่าก่อตั้งแต่ว่าเปิดการศึกษาเมื่อเรียนจบบาลีเตรียม ก็สองสี่เก้าสามโดยประมาณเปิดเรียนแล้วก็คณะครุศาสตร์ก็เปิดการศึกษาวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้า้อยสี่เป็นคณะที่สองหลังจากนั้นประเทศไทยเนี่ยระดมฝึกหัดครูไม่ต้องเรียนจบสี่ปีก็ไปเป็นครู เรามีปอกอศปอกศที่และของอเขาเรียกปกาอของประสานมิตรประกาศเสบัตรการศึกษาแล้วก็ให้เราสอบเทียบเรียกว่าพกศพิเศษการศึกษาแล้วก็มีพอมอพิเศษครูมัธยมนี่ได้พอมอ ส่วนใหญ่พมพมก็อนุปริญญามหาจุฬาก็เลยเปิดหลักสูตรที่ผลิตเหมือนกับพมเนี่ยเรียกว่าวคอวิทยาลัยครูศาสนาศึกษาเปิดที่มหาจุฬาวัดมหาธาตุวิเทไลาครูศาสนาศึกษาเนี่ยเรียนสองปีเหมือนกับได้อนุปริญญาได้พอมอ เราเรียกผู้เรียนในระดับนี้ว่าในมหาจรรยาเรียกตอนนั้นว่านักศึกษาเพราะว่ามาเรียนสองปีไงถ้าจะต่อไปคณกศาสตร์ปีสามปีสี่เป็นนิสิตสรุปถ้าเรียนปริญญาบัตรเราเรียกนิสิตถ้าเรียนประกาศนียบัตรเช่นประกาศนียบัตรครูมัธยมเนี่ยเราเรียกนักศึกษา มาในสมัยนี้ประการเสียบัตรก็มีทั้งก่อนปริญญาตรีและประการเสียบัตดบัณฑิตเรียกอะไรนักศึกษาหมดทั้งประการเสียบัตรก่อนปริญญาตรีก็คือที่คณะครุศาสตร์เปิดสองหลักสูตรวิชาการเทศนาเปิดทิวัศน์ไปอยู่ด้วยนะวิชาการเทศนารู้ดีเพราะว่า เพิ่าวิธีเปิดเนาะเออนี่จเจ้อาวาสเจ้าอาวาสรถไปอยูย่ก็ไปเปิดเนีหลักสูตรประการศเสียบัตรวิชาการเทศนาแล้วก็มีหลักสูตรประการศเสียบัตรการสอนศีลธรรมอันนี้นักศึกษาแล้วก็ประการศเียบัตรวิชาชีพครูอีกประการศเสียบัตรบัณฑิตอีกเปิดเยอะกว่าเพื่อนนอะนาคณะครุศาสต์เนี่ยแล้ว นักเรียนก็คือระดับลองเนี่ยเด็กๆเนี่ยสมณเนีย่ยสาธิตเนี่ยบาลีเตรียมบาลีอบรมสาธิตสังกัดคณะครุศาสตร์เป็นนักเรียนสรุปวันนี้เรามีทั้งนักเรียนนักศึกษาและก็นิสิตระดับปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นคณะที่จัดการศึกษาครบวงจร เมื่อจัดการศึกษามาถึงจุดนี้ปีห้าสบปีเนี่ยเราจะไปทางไหนต่อในยุค 4.0 มจเจรอแบ่งออกเป็น4ี่ยุคก็แล้วกันนะเพื่อสะดวกในการพูด 1.0 เป็นยุคลาชวิทยาลั ย, ยตั้งแต่ราชการที่หสถาปนามหาจุลาที่วัดมหาธาตุเป็นมห ah at าธาตุวิทยาลัย สองพันสี่้อสามสิบทรงเปลี่ยนนามเป็นมหาจุฬาลงกรอนแลวิไยสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าหกสิบปีเนี่ยเรียนบาลีเป็นหลักยังไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเนี่ยยังไม่ได้เรียนวิชาชั้นสูงเป็นแต่เรียนบาลีอยู่ที่วัดมหาธาตุเหมือนกับเป็นมหาธาตุวิไลกันแหละ นี่เป็นยุคตน้นต่อมา 2,490 เปิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษากันแล้วกันเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่มีทั้งเรียนพระไตรปิฎกพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่แต่ปริญญารัฐบาลไม่รับรองตั้งแต่เปิดเรียนมาเนี่ยช่วงแรก60ปีนะ สามศ3นย์สองสี่สาศูนสองสี่เก้าูนย์เนี่ยหกสิบปีไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงช่วงที่สองเก้านถึงสองเจ็ดเนี่ยเป็นปริญญาที่คณะสงรับรองกันแล้วกันเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์สองพันห้าร้อยสิบสองแต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่รัฐบาลรับรองในยุคที่สองเนี่ยมีคณะคลุศา มีวิทยาลัยครูศาสนาศึกษามายุคถัดจากนั้นสักและสิทธิ์รัฐบาลรับรองมจร .3.0 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งแต่ปี27วิยาเขตเปิดเนี่ยถ้าเรามองให้ดีท่านทั้งหลายการไปเปิดตามวิยาเขตคณะต่างๆที่มีนิสิตเรียนมากที่สุดเนี่ย คือคณะอะไรช่วงนั้นครุศาสตร์คณะครุศาสตร์เนี่ยมีคนเรียนมากกว่าสังคมศาสตร์นะช่วงช่วงต้นๆเนี่ยช่วงนี้กันแล้วกันมาแล้วตอนหลังคณะสังคมศาสตร์เนี่ยมาเปิดการจัดการเชิงพูดเปิดปรัฐาภาสาศาสตร์จํานวนนิสิตก็แซงหน้าครุศาสตร์แต่ครุศาสตร์ยังอยู่อันดับสอง แต่เคยเป็นคณะที่เปิดไปทั่วหมดเลยคือคณะครุศาสตร์ในยุคในยุค น, น, นี้ 3.0 แล้วในยุค 4.0 ตีซะว่า ต, ตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างวิวทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเนี่ยมุ่งไปสู่ความเป็นอนาชาติโกอินเตอร์เนี่ย คารุศาสตร์จะปรับทิศ ท, ทางอย่างไรจะทำอะไรไอ้ที่สรุปมาเนี่ยยุคแรกนี่คารุศาสตร์ยังไม่เกิดยุคสองเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเน้นเรื่องอะไรยุคที่สามกระจายไปทั่วประเทศแล้วมายุคสี่ปัจจุบันเรามาดูทิศ ท, ทางในปัจจุบันแต่เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะมาดูว่า โดยหลักๆเนี่ยพัฒนาการก็คือเมื่อเปิดการศึกษาช่วงต้นเนี่ยตั้งแต่2 0 4เ น, เน้นเรื่องอะไรเป็นหลักสูตร4ปีที่รัฐบาลรับรองแล้วเป็นยังไงเปิดไปทั่วแล้วมาปัจจุบันในหลักสูตร5ปีเพื่ออะไรโดยในนี้ก็เพื่อให้เข้าใจว่าทำอะไรได้ไง เราจะต้องมองภาพผลผลิตของคณะคารุศาสตร์ผลผลิตของคณะคารุศาสตร์เนี่ยในตั้งแต่อดีตมาห้าสิบหกปีเนี่ยสรุปได้สองคัแล้วทำได้แค่ไหนไทรเรียนจบไปจากคณะคารุศาสตร์เนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นคนที่มี academic competency คือเก่งสอนเก่ง สองต้องมีต้องมีความเป็นครู ท, ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอ่ะเาเรียกเป็นคนดีอ่ะเป็นแม่พิมพ์เป็นแม่แบบที่ดีคือมันอยู่ระหว่างคำว่า competence กับ charactercompetence ค, คือเก่ง character บุคลิกลักษณะเป็นคนดีเป็นแม่แบบ ซึ่งสองอย่างเนี่ยมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบของการฝึกหัดครูในประเทศไท ย, ยคือประสานมิตรมสวปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยคือต้องถือว่าแม้กระทั่งราชพัฒ ท, ทั้งหมดเนี่ยก็ไปจากประสานมิตรคลุาศาสตร์ศึกษ า, าศาสตร์ก็ไปจากตรงนี้เพราะฉะนั้นปรมาจารย์ของประสานมิตรเนี่ย เขาจึงกําหนดคุณสมบัติของครูในอุดมคติไว้สองประโยคเอามาจาก academic competence กับ character development เนี่ยแต่บัญญัติเป็นภาษาไทยไว้อย่างนี้มีความรู้ประดุดนักปราชดมีมารยาทประดุดผู้ทรงศีลผมเติมคำว่าจัญยาเขาไปคำ มีความรู้นะครูในอุดมคติเนี่ยต้องมีความรู้ประดุดนักปราชุดมีจัญญาจัญญาบันเนและความประพฤติประดุดผู้ทรงศีล น, นั่นคือคําของศาสตราจารย์ดรสาโรธบุษรีแล้วก็เป็นสโลแกนของมสวมาจนบัดนี้ความรู้ประดุดนักปราชคือเก่ง ความประพฤติประดุษผู้ทรงศีลเนี่ยคือดีเอาเก่งบวกกับดีเข้าไปสองอย่างเนี่ยถ้าเราทำสำเร็จถือว่าผลผลิตเยี่ยมมหาจุลาเรามีผู้ทรงศีลขออย่างเดียวให้เก่งนึกออกอย่างแล้วเราได้ไหมผลิตแล้วได้ครูสี่ประเภทท่าน หนึ่งเป็นยุคครูดีแต่ไม่เก่งเราไม่ได้ผลิตเองแต่ประเทศตอนนั้นเนี่ยครูดีแต่ไม่เก่งคืออย่างไรครับวัดมหาธาตุวัดประยูนยด้วยมีพระสอนหนังสือภาษาไทยให้กับเด็กก่อขอนโมอ่ะ เด็กทั่วประเทศต้องเรียนกับพระอันนี้ไม่ต้องพูดเลยนะประวัติการศึกษาไทยเนี่ยเด็กทั่วประเทศต้องเรียนในโรงเรียนวัดในสมัยรัชกาลที่ห้าตั้งแต่สองพสรอสี่้อสี่สิบมาเนี่ยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นแม่งานในการสอนหนังสือ ให้พระสอนหนังสือเด็กทั่วประเทศยกในหัวเมืองยกเว้นในกรุงเทพในหัวเมืองเนี่ยราชการที่ห้าทรงให้สมเด็จพระมหาสมพระเจ้าเป็นแม่งานเปิดวัดเป็นโรงเรียนสอนเด็กพระเป็นครูโดยให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นผู้อุปถัมภ์เด็กก็ เ, เรียนหนังสือจากวัดกับพระเป็นแม่แบบที่ดีแต่บังเอิญว่าสอนไม่เก่งสอนไม่เก่งเขาเลยยุดไปพระเคยไม่ได้สอนในสมัยราชการที่หกที่เจ็ดเป็นต้นมาถ้าสอนเก่งนะถ้าเปิดคารุศาสตร์ตอนนั้นเนอะป่านนี้เรายุดไปทั่วประเทศแล้ว เอาเป็นว่าพระดีดีแต่สอนไม่เก่งไม่มีวิชาครูมหาวิทยาจุฬาลงกรณ์เปิดขึ้นมาก็มีครุศาสตร์มีอะไรต่างศึกษ า, าศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างเรียนจิตวิทยาค ร, ครูข้างนอกเรียนจิตวิทยาพัฒนาการมีอะไรต่างสอนเด็กได้เหมาะกับพัฒนาการโรงเรียนก็เลยออกไปจากวัดไง แล้วครูในสมัยนั้นยังเป็นครูที่ดีด้วยเรานึกถึงครูอย่างพระยาอุปกิจศิลปสานที่บัญญัติคําว่าสวัสดีอ่ะครูในสมัยนั้นคารวะนะนะพอออกไปจากวัดนะเป็นไงคารวะอยากเป็นครูทําไงรู้ไหยจบนักธรรมพอแล้วได้นักธรรมเอกเนี่ยเป็นครู ประชาบาลเป็นครูที่ดีนะเราไปดูประวัติหลวงพ่อปัญญา น, านะนะัน t h นี่ยเป็นครูภายนอกนะจบนักธรรมนะพระนี่แหละเป็นครูอ่านประวัติหลวงตาชีอ่านใครต่อใครก็ตามเรียนหนังสือกับพวกจบนักธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นในสมัยนะั้นจบนักธรรมนี่เป็นครูได้เลย และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมครูดีแต่ถามว่าเก่งไหมไม่ได้เรียนศาสตร์ทั้งหลายอย่างพวกเราสมัยนี้ไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นมันก็มายุคที่สองครูเก่งแต่ไม่เน้นเรื่องดีออสอนเก่งมีความรู้ศาสตร์ทั้งหลาย แต่ไม่ต้องเป็นแม่พิมพ์อันนี้เป็นอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาไม่ใช่บ้านเราครับมาครูต่างๆเนี่ยจบจากนอกมาบริหารพอมาบริหารกระทรวงศึกษาทอดแบบฝรั่งมาครับมีหลักฐานตั้งแต่1960เป็นต้นมา อันนี้ฝรั่งเขาบ่นนะ1960ก็ประมาณ70ปีแล้วก่อนตั้งคารุษาส์ก็ประมาณยุคครุศาส์นะ60ปีเนี่ยปรากฏว่าการฝึกหัดครูในโลกเริ่มจากอเมริกาอยากยุโรปลดบทบาทของครูในการสอนคุณธรรมจริยธรรม ไม่เน้นให้ครูสอนเด็กเป็นคนดีตัวหลักสูตรเองเนี่แหละคือหลักสูตรฝึกหัดครูทั่วโลกเนี่ยนะมันดาวเพลงคือลดความสำคัญว่าครูจะต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกศิษย์แต่ไปสอนอะไรรู้ไหมสอนให้สอบเอ็นทรานซ์ได้บ้านเราเรียกว่าเอนทรานซ์โรงเรียนไหนสอนเด็กให้สอบ เข้ามาหาวิทยาลัยได้เยี่ยมมาจนบัดนี้น่ะเด็กตีกันก็ช่างมันน่ะครูนั่งเฉยเออขอแต่ให้เด็กเก่งเข้ามาหาวิทยาลัยได้พูดภาษาอังกฤษได้อะไรได้อันนี้เป็นทั่วโลกเพราะฉะนั้น ลักสูตรการฝึกหัดครูขลุศาสตั้งแต่เราเปิดมาเนี่ยเราอยู่ใต้อิทธิพลนี้เราจึงเน้นเทคนิคการสอนใครมาเรียนคณะนะเรียนครูต้องเรียนเทคนิคการสอนเรียนทักษะในการสอนต่างๆรวมถึงจิตวิทยาพัฒนาการอะไรก็ตามไม่ได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของครูอันนี้เป็นทั่วโลกและ แบบเขาเรียฝึกหัดครูในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเนี่ยโดยโรงเรียนฝึกหัดครูต่อมาเป็นราชพัฒนอยู่ในยุคนี้ครับได้ครูที่เก่งแต่ไม่ดีเรื่องซึ่งาคณะครุศาสตร์ก็ก็เริ่มมานะครับเราได้ครูเก่งสอนเก่ง ติวเก่งติวโต้เพิ่มขึ้นพลุบเลยนะติวเด็กเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ไม่เน้นเรื่องการสอนให้เด็กเป็นคนดีและครูเองก็ไม่ได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของครูและของสิทธิ์เป็นยุคครูเก่งแต่ไม่ดีต่อมาเนี่ยนะไม่อยากจะพูดได้ทั้งไม่เก่งไม่ดีอ่าอย่านึกว่าอย่าว่าว่ากันนะ อันนี้ดูจากรัฐบาลท่านเมื่อเราเปิดราชพัฒมากเนี่ยเรียนครูจบไปทำอะไรสอนก็ไม่ได้สอนเมื่อเมื่อดีไม่มีแล้วในยุคที่สองอะยุคที่สามเก่งก็หายไปอีกจบครูไปขายประกันท่านจบครูไปทำอย่างอื่นอาชีพอื่นนะขายเอ็มวีนะ ตกงานกันเยอะแยะเลยท่านสรุปแล้วคนคนดีอาจจะมีแต่ไม่ได้เป็นครูเพราะหลักสูตรมันไม่ได้สอนให้เป็นครูเป็นคนดีตั้งแต่ยุคที่สองเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเป็นครูสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดกันอย่างนี้ในยุคที่สองเนี่ยครูเก่งหรือยุคที่หนึ่งยุคที่สองครูเก่ง ใครเรียนได้คะแนนในมัธยมสูงๆเนะมาเข้าครูใช่ไหมหนึ่งมาเป็นครูใครสอบได้ที่หนึ่งไม่เป็นครูก็มาบวชเนนบวชพระตอนหลังไอ้พวกที่มาเรียนครูนีไ่ได้คะแนนระดับไหนเหมือนกับผู้ที่มาบวชเนบวชพระนั่นแหละเออมันจะเจ็บใจกระเดีงนะพูดไปเยิย มันไม่แอทแทกตีฟไม่ดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาวิชาชีพครูเพราะฉะนั้นใครก็มาเรียนครูได้ไม่มีการคัดกรองผลคือ PSA การสอบ competency ของนักเรียนเนี่ยที่เราไปแข่งกันทั่วโลกเลยนะ ประเทศไทยอยู่อันดับโลทุกทีนะแม้แต่ในอาเซียนเรื่องวิทย์คณิตภาษาเก่งก็ไม่เก่งอ่ะถ้าเก่งก็ต้องสอนเด็กให้ได้คะแนนวิทย์คณิตภาษานี่ระดับสูงสิเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรองประลัดกรุงเทพมหานครผู้กำกับการศึกษาสำนักงานสกอทมซึ่งมีโรงเรียนมีเด็กเรียนเยอะมากนะในกทมเนี่ย รู้ไหมเอ า, เอ า, เอาลองประหลัดเนี่ยมาเล่าให้ฟังเอาเด็กไทยเนี่ยไปสอบแข่งวิชาอายุสิบห้าปีนะวิทย์คณิตภาษาเนี่ยไปสอบแข่งกับเด็กทั่วโลกนอกจากประเทศไทยอยู่อันดับโลในอาเซียนแล้วนี่นะปรากฏว่าเด็กกทมอันดับโลของทุกประเทศผลสำลิดในสามวิชาเนี่ย เด็กอ่านไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยนะจบโรงเรียนกรทมไปสองหมื่นคนขึ้นมัธยมส่วนมากมาบวชนะซอดอ่านกันใหม่นะม่เลียนกันยังไงก็ไม่รู้อันนี้รองประหลัดกระทรวงองกระทรวงกรทมไม่เอ่ยชื่อนะไปบนให้ฝังครูครูไอ้ที่มาเป็นครูเนี่ย คนเก่งก็ไม่มาท่านแล้วไอ้ทื่องดีก็ไม่ได้เน้นสรุปแม้ทั้งไม่เก่งไม่ดีได้มาเรียนครูไม่รู้แถวนี้มีหรือเปล่านี่พูดตามการวิเคราะห์ของรัฐบาลใครไม่เป็นอยากกินปูหลอนท้องเออฉันเก่งดีซะอย่างอั น, นี้เป็นอั น, นี้พูดถึงการวิเคราะห์เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วเขาทำไงรู้ไหม เพื่อให้วิชาชีพครูได้เด็กเก่งมาเรียนต้องขึ้นเงินเดือนบรรจุครูครั้งแรกต้องได้เงินเดือนสูงกว่าพวกปริญญาตรีสาขาอื่นๆมันจึงจะดึงคนเก่งเข้าวิชาครูนี่คือเรื่องนี้แล้วอยู่ๆเนี่ยจะให้จะให้เงินเดือนขึ้นทรงเดชขอโทษมัม่วๆไม่ได้ เลยกำหนดให้เรียนห้าปีนี่คือที่มาถ้าเพื่ออะไรถ้ า, ถ, าถ้าเรียนสี่ปีถ้าก็ได้เงินเดือนเท่าปริญญาตรีอื่นใช่ไหมแล้วถ้าได้เงินเดือนเท่าปริญญาตรีอื่นที่ไหนเขาจะมาเรียนครูเหรอท่านมันไม่มีความน่าสนใจเขาอยากให้ครูเป็นอาชีพที่เหมือนทนายความในอเมริกาเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยนะเลย หนึ่งให้เรีย้ยงให้เงินเดือนเพิ่มด้วยการอ่ะเรียนห้าปีนี่คือเรื่องที่หนึ่งสองพวกสี่ปีอยากจะมาเป็นครูต้องไปเรียนประกาศสี่บทวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีไม่ใช่จบพระพุทธศ า, ศาสนาแล้วจะไปสอนได้ไม่ใช่จบจิตวิทยาแล้วจะเป็นครูได้ต้องมาเรียนประกาศสี่บรวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีจัดโดยคณะครุศาสตร์แน่ไหมล่ะ แล้วพอมาเรียนหนึ่งปีกลายเป็นหปีเท่ากันใช่ไหมจบปริญญาตรีสปีคณะไหนก็ได้ในมหาจุฬาแล้วอยากจะเป็นจูครูท่านต้องเรียนประกาศศิยบัตรสรุปแล้วห้าปีเท่ากันเงินเดือนเพิ่มเลยค่าวิชาชีพเป็นครูเพิ่มก็หมายความว่าเราจะได้คนเก่งเนี่ยมาเป็นครูต่อไปนี้เรียนประกาศศิยบัตรหรือเรียนแหลักสูตรเพื่ออะไร เพื่อให้วิชาชีพครูเนี่ยมันเป็นวิชาชีพโปรเฟชชั่นอลไม่ใช่ใครก็เป็นได้แต่ก่อนนี่จบมนุษย์สังคมจบพุทธก็เป็นครูได้แต่ต่อไปนี้เนี่ยใครจะมาเป็นครูเนี่ยมันต้องมีความเป็นเขาเรียกโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพ profession คืออะไรท่านครูเนี่ยต้องภูมิใจนแต่นี้ไปนะท่านต้องยกความยกระดับให้เป็น profession profession เป็น professional ให้ได้เพราะรัฐบาลเขาทำการเป็นครูเป็น profession ยังไงหนึ่งต้องเป็นทักษะพิเศษคนทั่วไปทำไม่ได้พวก profession เนี่ยใครไม่ได้เรียนเนี่ย มามารับอาชีพนั้นไม่ได้เช่นแพทย์พยาบาลใครจะเป็นแพทย์พยาบาลต้องมีไล่เส้นมีใบรับรองอะลเส้นอะแล้วมีสภาวิชาชีพกำกับสภาแพทยสภาคุมใครจะมาเป็นแพทย์ ออกใบรับรองนักกฎหมายจะเป็นทนายความมมีเนติบัณฑิตสภาครูมีครุสภาแต่ก่อนครุสภานี่เป็นสารพรภูมิไม่มีลิเต็ดเดี๋ยวนี้ครุสภาจะมาเยี่ยมมาหาจุลาที่เข้าแถวกันเลยนะประเมินไม่ผ่านเนี่ยนะเสร็จเลยนะใช่ไหมโอ้ เริ่มเริ่มตั้งแต่ห้าปีนี่แหละท่านหลักสูตรห้าปีเนะก่อนนี้ไม่มีใช่ไหมใครไข่เรียนเรียนใครไข่จบจบนี่ยกตัวอย่างสำหรับผู้ยังไม่เข้ามาเพื่อให้เห็นว่าเขาต้องการยกระดับอาชีพครูให้เป็นวิชาชีพไม่ใช่อาชีพเฉยๆต้องมีวิชาต้องมือมีทักษะมีการฝึกไม่ใครไม่ใช่ใครเป็น ใครไปก็สอนได้ไม่ใช่เป็นพระครูแล้วจะไปสอนได้บางองค์บอกเป็นพระครูแล้วสอนได้เลยไม่ใช่ต้องไปดูก่อนว่าได้ประกาศสิบัตทวิชาชีพเปล่ารวมความว่าอย่างนี้นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการกันกรองคนที่เก่งให้เข้ามาเรียนวิชาชีพครูเพราะเงินเดือนน่าสนใจ สองไม่เก่งเรียนวิชาชีพครูไม่ได้มันเพราะครูสภ า, านี่เขาตั้งมาตรฐานสูงต้องฝึกสอนต้องอะไรต่างๆให้เก่งตามมาตรฐานเขาจงภูมิใจครับจบรุ่นนี้ครับอย่างนี้เลยครับท่านเจ้าคุณเออไอที่จบก่อนไม่แน่ <c oughs> เกยทับกันนะเราจบรุ่นหลังเยี่ยมเลยนี่สองนิ้วคนอื่นให้นิ้วเดียวเพราะฉะนั้น มีความเป็นมืออาชีพเป็นครูมืออาชีพและก็มีอาเคียสภาวิชาชีพคือกุษสาในกำกับอีกทีจึงมีมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศอเห็นไหมเรามาในยุคใหม่แล้วนะมาในยุคนี้เขาต้องการอะไรครับหนึ่งท่านต้องเก่งไม่เก่งเข้าวิชาชีพไม่ได้ต้องเก่งคอมพิเทนซ์สองที่ห่วงก็คือ เขาไม่เน้นเรื่องดีอีกครูสภาไม่ได้เน้นเรื่องดีใครก็ไม่เน้นเรื่องดีแต่มจรอต้องเน้นเรื่องดีเป็นจุดขายด้วยเพราะเราเน้นตรงนี้อยู่แล้วมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยจบไปแล้วเนี่ยได้ครูที่ไม่ดีเนี่ยเสียชื่อมหาวิทยาลัยนะเราต้องเป็นครูดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้มันต้องเป็นพื้นฐานบวกกับคอมพิเทนซีความเก่งเข้าไป เราเป็นทิศทางของมอจรอเลยครับเป็นจุดขายจุดขายก็คือครูไม่ใช่เก่งและดีส่วนตัวเก่งมีความสามารถส่วนตัวดีอตัตตาหิตะสมบัติและเก่งประยิตาปฏิบัติคือสอนเก่งด้วยทำให้เด็กสอบเอ็นทาร์เข้าได้ด้วยนี่คือสอบภาษาวิทยาคณิตชนะด้วยระดับโลก นี่คือเก่งแล้วครูต้องเป็นคนดีอัติหิสตสมบัติมีความประพฤติประดุดผู้ทรงศีลเป็นแม่พิมพ์เป็นต้นแบบและสามารถถ่ายทอดสั่งสอนอบรมศิษยานุศิษย์ให้เป็นคนดีด้วยตัวเองก็มีธรรมะด้วย สอนให้คนอื่นมีธรรมะด้วยบางคนตัวเองมีธรรมะแต่สอนคนอื่นไม่ได้ไม่ได้คณะครุศาสตร์ต้องผลิตครูที่ตัวเองก็เป็นคนดีมีธรรมะมีศีลธรรมแล้วสอนให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรมนี่คือมีความรู้ประดุษนักปราชญ์คือเก่งมีความสามารถมีจัญญามัญญาตประดุดผู้ทรงศีล อุดมคติของครูยุค 4.0 ละ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมาดูหลักสูตรสิในหลักสูตร4ปีเนี่ยอันไหนนอกจากฝึกสอนนปีที่ห้าใช่ไหม4ปีเนี่ยอันไหนทำให้เป็นคนเก่งอันไหนทำให้เป็นคนดีอย่างน้อยกรรมฐานนี่ต้องมีลหละและต้องปฏิบัติให้ได้ผลฝึกหัดจิตใจอบรมกล่อมกล่าวตัวเองขึ้นมาที่ไหนก็ไม่มี รับประการได้แล้วนี่ดีแต่พอหรือเปล่าเพราะว่ากรรมฐานบางทีก็เข้าฌานานานตั้งเดือนไม่ขยื่นเคลื่อนกายยาถือศีลกินวาตาเป็นผาสุขทุกคืนวันลูกศิษย์จะแย่ขนาดไหนท่านก็นหลับตาสอนอยู่นั่นแหละไม่รู้ไม่ชี้ครูที่สอนเรื่องความดีกริยาเายาทให้ลูกศิษย์เนี่ย คือครูยุคยุบเก่าอ่ะสองจุดศูนยอ่ะตอนเปิดใบใหม่อเราจะได้ยินอาจารย์อะไรอ่ะสเียนพันธังสีใช่ไหมอาจารย์เหล่านี้รุ่นอาจารย์ของอาจารย์จำลองอีกทีเนะี่ยสถียนพันธังสอีอาจารย์ศาสตราอาจารย์แสงมนวิทูลแสงมนวิทูลเวลาเข้าห้องสอนพระองค์ไหนนั่งใฝ่ายห้างนะ เดินไปไหว้เลยเป็นคารวะนะอาจารย์แสงเนี่ยนะนิสิตนั่งไขห้างท่านเดินไปไหว้มองอายเลยพระคือไม่ได้สอนอย่างเดียวท่านดูด้วยกริยามารยาทการเข้าออห้องอะไรต่างๆอาจารย์แสงบนวีทูลนี่ติดกระดุมถึงลูกคอคอดิบมีติด ไอ้คล้ายเสื้อลายปลาแตนขนงท่านนะนะติดกระดุมทุกเม็ดเลยลูกศิษย์ถามอาจารย์ทำไมติดกระดุมทุกเม็ดเลยอาจารย์แสงย้อนแล้วเขาทำกระดุมเอาไว้ทำอะไรเออเป็นที่รักของลูกศิษย์เป็นที่รักของลูกศิษย์ใครไปไหนมาไหนต้องมาหาอาจารย์ ไปที่วัดมหาธาตุสิทธ์เก่านะออกไปตั้งนานแล้วกลับมาก็มาเจออาจารย์แสงต้องไปทักทายดีใจได้เจออาจารย์แสงบนวิทูลอาจารย์ครับจำผมได้ไหมได้ได้ได้ผมเรียนรุ่นนนรุ่นนี้เอ อ, เ อ, อคุยกันนะแล้วอาจารย์รุ่นผมนะมีเพื่อนนะนั่งติดผมเนะี่ยอาจารย์เจอบ้างไหม เจอบ้างหรือเปล่ามันมาหาจันท์บังเปล่าเอามือแตะแนจย์แสงนคิดหนักคิ้วย่นเขาตายเสียแล้วยังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงตายตได้เหมือนอาจารย์ ม, ม, ม่รู้ตายไปจากความทรงจาของผมแล้ว <c oughs> <c oughs> จะใช้ก็ได้นะนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละน่ารักนะอาจารย์ อาจารย์ของเราสมัยโู้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยอาจารย์จำงนงเนี่ยทำรูปหล่อนะเต็มหมดเลยนะบุรพาจารย์ใช่ไหมวัดศรีเนี่ยยังยังหาที่ตั้งอยู่เนี่ยรักอาจารย์ดีเหลือเกินแต่ละคนเนี่ยเป็นแม่แบบห่วงใ ย, ยลูกศิษย์สมัยนี้เนี่ยมันจะจะมีโอกาสไม่ต่อไปเขาจะทำไม้สักรูปเลยไอ้ที่ทำไว้มันจะดึงลงนะ ไอ้ลูกปั้นเราเพราะเราเพราะอะไรเพราะอาจารย์เขาสอนให้ลูกศิษย์กตัญญูลูกศิษย์ก็เลยกระตันยูกับอาจารย์สมัยนี้เราสอนบ้างหรือเปล่าให้ลูกศิษย์กรตันยูเพราะเราไม่สอนเราจะไปโทษลูกศิษย์ว่าทําไมไม่กรตันยูกับเราก็สมควรแล้วไม่เคยสอนเลยให้กระตันยูครูบาอาจารย์ไหว้ครูก็ไหว้กันสักจะเป็นพิธี เอาไว้ประกวดผ่านมันสำคัญที่ใจท่านไม่ใช่เดินหน้าผมไม่ได้ยินทุกครั้งเลยนะทุกปีเลยประถมนิเทศเนี่ยเจออาจารย์เนี่ยจำให้ได้ว่าใครเป็นคณะบดีไหวกันบ้างไม่ใช่เรียนจนจบจะไม่รู้จักคณะบดีเนี่ยเห็นพูดทุกปีเลยท่าน แล้วถ้ายังไม่รู้จักแล้วมันจะกระตันยูรู้คุณได้อย่างไรอะ่ะเอาแค่นี้นะเรื่องเรื่องดีมันจะไปใหญ่ <c oughs> ไปวิชาการดีกว่าเนาะ <c oughs> คนนอกเยอะเหมือนกันเอาไปเรื่องอื่ น, <c oughs> นสรุปเราต้องมาเน้นเรื่องฝึกหัดคุณธรรมจริยธรรม จัญญาสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยแต่แต่เขาเอ า, เอาสอนนี้หนึ่งนะอารมณ์ยังค้างอยู่ <c oughs> ครูบาอาจารย์จำจี้จำชัยแล้วเกิดไอ้เรื่องกิริยามารายาทเลยนะ <c oughs> แค่ขึ้นตึกมหาจุฬาเนี่ยใส่รองเท้าได้ไหม <c oughs> ใส่รองเท้าไม่ได้ไม่เคารพสถานที่ใครเนี่ยนะใส่รองเท้าขึ้นไปนะ่าว่าแต่นิสิทธิ์เลยนะผู้บริหารใส่รองเท้าเข้าไปโดนตัดกระเดืองเท่าไหร่อะฮ้ <c oughs> <c oughs> กี่เดือนไม่รู้ฮะสามเดือนน่ ะ, อนอะขึ้นตึกมหาจุฬ า, าตัดเงินเดือนอธิการบดีเห็นสมัยโน้ตน่ตัดเงินเดือนผู้บริหารท่านนั้นสามเดือนหาว่าไม่เป็นแบบอย่างแก่นิสิตเดี๋ยวนี้นิสิตรูปนั้นเป็นเจ้าอาวาส <c oughs> เน้นเ ร, เรื่องขวามเป็นคนดีสูบุรีไล่ออกนะ ไปอัดกันขโมองอยู่ดิไม่ให้เห็นเลยไม่กันไล่ออกเลยเน้นเรื่องดีครับและเข้าไปเรียนวัดมหาธาตุเนี่ยลงรถเมย์ปุบ๊บเข้าประตูต้องลดไหลทันทีเลยจีวรเนี่ยห้ามหม่มคลุมถ้าขมคลุมเดินขึ้นตึกเนี่ยเสร็จแน่เลยห้ามสภพายย่ามานั่น เพราะฉะนั้นนิสิตเนี่ยบางทีกาลังสะพายย่ามเพลินๆพอเหลือเพลนอาจารย์เนี่ยลดทันทีเลยนะเดี๋ยวนี้มันเดินโชว์เลยนะเพราะแต่ก่อนนี้มันทั้งองค์กรเน้นย้ากันในเรื่องความประพฤตินี่คือตัวอย่างว่าทำไมทึ่บอกว่าทั้งไม่เก่งทั้งไม่ดีจบก็ไม่มีงานทำแถมยังไม่มีอบรมกิริยามารยาทอีก แล้วมันจะเหลืออะไรท่านครูคณะคารุศาสตร์นี่ต้องเป็นต้นแบบนะเพราะฉะนั้นคนุคาะคารุศาสตร์สมัยก่อนนะที่จุฬาเนี่ยเขาจึงว่าพวกเรียนพวกนี้เฉยครึนุ่งนุ่งเ อ, อนุ่งสะเกิดก็เลยเขาอีกนะอะใส่แว่นด้ว ย, ยไปเรียนครูเขาเน้นเรื่องดีท่านไม่ใช่ฉุยฉายเมื่อสมัยนี้นะ มันหมดยุคเพราะเราไม่ได้เน้นตรงนี้เห็นไหมครับอไป่องอื่นนะมีลูกจากนิดหน่อยสรุปเริ่มตั้งคำถามในอเมริกาและยุโรปเป็นไปได้ไหมที่จะฝึกครูให้ทั้งเก่งและดีไปด้วยกันอย่าเน้นแต่เรื่องของพิเทนซ์อย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่า เปาหมายด้านการศึกษาทั้งสองอย่างคือเก่งกับดีเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ย mutually exclusive uh, not mutually exclusive ไม่ได้แยกจากกันมันเป็น complementary เสริมกันและกันเขาอยากจะให้คนเนี่ยนะเป็นคนเก่งเนี่ยไอ้ความเก่งเสริมความเป็นคนดีความเป็นคนดีเสริมความเป็นคนเก่ง ถ้าเราสอนอย่างนี้ได้เลยนะเราจะได้ผลผลิตที่ทั้งเก่งทั้งดีท่านเคยสังเกตไหมเวลาอธิการบดีให้โอวาดแม้กระทั่งว่าทําอย่างไรจึงจะเรียนเก่งเนี่ยเนี่ยเมือ่อเมื่อเร็วๆเนี่ยที่หอประชุมอะปะตาตกถาเนี่นะทาอย่างไรจึงจะเรียนเก่งเขาไม่ได้บอกว่าเรียนดีนะหรือเป็นคนดีนะมหาจุลาทำยังไงถึงจะเรียนเก่ง ตั้งหัวข้อมาสองสามปีแหละแต่เวลาอธิการบดีพูดเนี่ยไม่ได้ให้เรียนเก่งอย่างเดียวแต่ให้เป็นเด็กดีเป็นนิสิต ท, ที่ดีเพื่อความเป็นคนเก่งพูดยังไง ร, รู้ไหมอ่าทบตัวนได้ฟังเพราะบางทีไปนั่งใจลอยไม่ได้ฟังหรอกเอาอีกรอบหนึ่งแค่รอบหนึ่งก็หมดเวลาแล้ว <laughs> เล่าเรื่องหลวงพ่อพุธ ถ้าถ้าใครฟังนะหลวงพ่อพุธบอกว่าเด็กจะต้องฝึกกรรมฐานจึงจะเรียนเก่งและก็เล่าเรื่องตัวเองว่าเรียนหนังสือก็ต้องฝึกกรรมฐานที่วัดประยูนบอกว่าจะเรียนบาลีต้องนั่งกรรมฐานต้องฝึกอะไรต่างเรียนมหาจุฬาอยากจะจําแม่นต้องฝึกสมาธิเหมือนนโปรเลียนไปดูว่าทําอย่างไรจึงจะเรียนเก่งที่พิมพ์ขายไปทั่วนั้นพูดให้นักเรียนฟังที่ศรีประจันบ้านเกิดท่านสมเด็จพุทเโคสาจารย์ พอออกไปยุโตอ่ะเขาไปพิมพ์เปน็นหนังสือเลยจะเรียนเก่งเนี่ยต้องฝึกกรรมฐานแล้วมีวิธีเล่าให้เด็กฟังสําหรับเด็กฝึกยังไงทําให้จําแม่นเหมือนเราจะถ่ายภาพเนี่ยปรับปรับโฟกัสหน้ากล้องให้มันนิ่งเนี่ยนะจะภาพชัดคมคนถ้ามันมีสมาธิจะจําแม่นแล้วจะเรียนเก่งแล้วก็เล่าเรื่องคนเก่งทั้งหลายเนี่ยฝึกสมาธิกันยังไงตั้งแต่ น, นโปโลเรียนมาถึงท่าน สมเด็จป อ, อประยุทธ์โตมาถึงเรื่องตัวเองอะไรต่างรวมถึงมหาจุฬาฝึกกรรมฐานแต่นิสิตเราไปฝึกกรรมฐานเป็นไงเพ่งลูกมะม่วงให้มันตกลงมาเราต้องการให้ฝึกกรรมฐานเป็นคนดีและความดีนั้นทำให้มีสติสมาธิเลียนเก่ง เพราะฉะนั้นการเป็นคนดีกับคนเก่งมันไม่แยกกันนะครับที่ฝรั่งเขาบอกว่า not mutually exclusive ไม่ได้แยกจากกันเลยหลักสูตรคณะครุศาสตร์เนี่ยเวลาท่านเขาถึงยังบอกไงมค อ, อเนี่ยท่านสอนให้เป็นคนเก่งเนี่ยกี่เปอร์เซนต์วิชาเนี่ยเป็นคนดีเจตคติกี่เปอร์เซนต์และมีทักษะกี่เปอร์เซนต์มีความรู้กี่เปอร์เซนต์หมายความว่ามันไปด้วยกัน ในหลักสูตรใหม่เนี่ยเขาถึงหลาเราก็มากรอกกันพอเป็นพิธี <c oughs> ไม่งั้นไม่ผ่านแต่จริงๆเนี่ยเมื่อท่านเข้าสอนท่านจะต้องนึกว่าจะต้องถ่ายแบบที่ดีให้กับลูกศิษย์เพื่อเป็นคนดีด้วยไม่ใช่เก่งอย่างเดียวในพระพุทธศาสนาอ่เดี๋ยวให้ดูก่อนคำว่าเก่งคือสมรรถภาพดีคือคุณภาพ และเราเพิ่อมอีกคำหนึ่งมีความสุขคือสุขภาพอุดมคติของครูคือเก่งดีมีสุขเรียนเรียนที่นี่ ส, ส, สอนเก่งและเป็นคนดีทำงานดีสอนสิ่งดีงามให้กับลูกศิษย์และมีสุขภาพจิตดีมีความสุข สอนที่ไหนเด็กก็อยากเรียนเพราะเรียนแล้วมีความสุขเมื่อเรียนกับครูและครูเองก็สุขภาพจิตดีไม่ใช่เรียนไปเรียนมานะเครียดเวลาเข้าไปหน้าชั้นมองไปทางไหนลูกศิษย์หลบตาวูบว่บลังสีอมหิตออกอารมณ์ค้างมาตั้งแต่วัดเพื่อนถามอายุเท่าไหร่ ห้าสิบแนึกว่าจ ะ, กะเกษียณปีหนะ้าทำไมโซมอย่างงี้ประกันคุณภาพ QA อคุณสภาตรวจมีความสุขตรงไห น, นการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมในขณะที่ท่านทำงานท่านก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติเมตตากรุณาเมตตาอยู่หน้าชั้นกับลูกศิษย์ มันมีความสุขท่านมีความสุขที่ได้สอนมีความสุขที่ได้พูดอธิการมารีเนี่ยพูดทุกวันเนะ่ยมีความสุขถ้าท่านไม่มีความสุขนะความดันขึ้นไปแล้วจะพูดแต่ละวันต้องเตรียมอะเก่งดีมีสุข ประสิทธิภาพอยู่ตรงไหนอยู่ตรงทำงานให้สำเร็จลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากใช้เวลาหนึ่งคาบเหมือนการแตะสอนนักเรียนเก่งมีผลสำเร็จดีอีกคนหนึ่งตั้งห้าชั่วโมงเรียนมีแต่เรื่องอินเดีย มันจะได้เรื่องที่ไหนเราตั้งห้าชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยมสมมุตินะไม่มีหรอกของเราอะประโยชน์สูงประหยัดสุดประหยัดเวลาประหยัดเงินทองประหยัดคนแต่ได้ผลตอบแทนผลผ ล, ผลิตที่ดีคนเดียวก็คุมนะ้มแล้วท่านมีอาจารย์อย่างเนี้ยดึงนักเรียนมาเรียนกับเรา ท่านสังเกตไหมในอเมริกาในยุโรปแม้กระทั่งในอินเดียเนี่ยมหาวิลลยไหนจะมีคนไปเรียนเยอะนี่เขาไม่ได้เอามหาวิเลยชื่อมหาวิลลยเป็นตัวตั้งนะเขาเลือกคณะท่านคณะคาุศาสตร์ศึกษาศษาสตร์ต้องไปที่นี่ปรัชญาต้องไปที่นี่พุทธศาสนาต้องไปที่นี่รัทธศาสตร์ต้องไปมหาวิลลยนี้ไม่ได้อยู่มหาวิลลยเดียวเลยเพราะอะไรครับในยุคนี้คณะรัฐอา่าคณะ ศึกษาศาสตร์ที่นี่มีอาจารย์เก่งๆสุดยอดสอนอยู่คนทั่วโลกก็แห่ไปเรียนท่านพอกเกษียณไปแล้วไปดังที่อื่นคนใหม่ขึ้นมาย้ายอีกเลยท่านมันอยู่ที่ครูไม่ได้อยู่ที่สถาบันในมหาวิทยาลัยที่เขาจเจริญแล้วอ่ะไม่ว่าจะเด ล, ลีมัตราฐบาโรด้าลองดูในอินเดียในออกฟอร์ดในเคมบริดจ์ก็เหมือนกัน ในยุคหนึ่งได้คนนี้เป็นเป็นหัวหน้าภาคได้คนนี้เป็นอาจารย์เนาะโอ้ยแห่กันมาเรียนน่าดูเลยเอาอย่างจอร์เดวี่ยอยู่ชิคาโก้เนี่ยใครก็อยากไปเรียนพอหมดยุคไม่มีใครแลวอยู่อับชิคาโกไปที่อื่นเลยมหาจุลาก็แบบเดียวกันนะท่านในยุคนี้ได้คนนี้ได้ครูนี้มานี่นะมันก็จะคึกคักพอหมดยุค เราต้องหาอาจารย์เขาเรียกว่าตัวตายตัวแทนเมื่อต่อบาลีก็เหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ไปอยู่วัดนี้ได้อาจารย์ดีผู้บริหารดีพอหมดยุค ย, ย้ายเหมือนกันปัญสิทธิภาพอยู่ตรงไหนสมรรถภาพคือพร้อมใช้งานจบเอกภาษาอังกฤษสอนได้อย่างดีเปิดปุ๊บติดปับ๊บ เอกสอนพุทธศาสนาได้อย่างดีจิตวิญญาแนแนวได้อย่างดีบริหารการศึกษาอย่างดีเลยบริหารได้เป็นเจ้าวาดได้เลยไม่ต้องผู้ช่วยเลยอย่างงี้โอ้ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นสมรรถภาพพร้อมใช้งานคุณภาพความเป็นเลิศและสุขภาพความพึงพอใจอันนี้พูดมาบ่อยแล้วไปไปใกล้ๆทีนี้สามอย่างเนี่ยมันบูรณาการเข้าดา้วยกัน สมร tha เกิดจากอะไรครับปัญญาครับมีความรู้ประดุดดังนักปราชด์คือปัญญาคุณมีความประพฤติประดุจดังผู้ทรงศีลกะรุณาคุณห่วงใยลูกศิษย์และไม่ได้สอนเพราะหวังผลประโยชน์ไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันวิสุท ธ, ธิท่านเราเอาคุทตกคุณสามเนี่ยนะมาตัวตั้งปัญญาวิสุท ธ, ธิกะรุณาเนี่ย ทำให้ครูของเราเป็นคนเก่งดีและมีสุขถ้าเราสอนเพราะรักลูกศิษย์นี่มันจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ได้เรามีความสุขใช้ได้แล้ววิสุทธิเนี่ยแต่ถ้าท่านมีความคาดหวังสอนจะต้องได้นั่นได้นี่นะใจไม่บริสุทธิ์นะยังไงท่านก็ไม่มีความสุขหรอกท่านเห็นไหไปเทศลองไปเทศดูสิถ้าไปเพื่อหวังเครื่องกันนวันนี้ติดกันเทศน้อยนี่มัน โอ้มันจะคุ้มหรือเปล่ากูไม่รู้อเนี่ยน่าจะไปงานอื่นเลยเนี่ยนะเป็นกรรมการมศเนี่ยมานั่งพูดอยู่เนี่ยได้กี่บาทท่านถือพัดไปได้เยอะกว่านะ่ะเออจริงไม่จริงอ่ะได้เห็นบา้างเปล่าได้ไปบาป้างเขาเปล่าอ่ะมัวแต่มาพูดอยู่เนี่ยได้กี่บาทอนะ่ะได้หนังสือห่อถึงเนี่ยเนี่ยแต่มีความสุขท่านเข้าใจไหมล่ะความสุข เงินมันก็ซื้อไม่ได้เพราะเงินเพื่ออะไรเพื่อความสุขอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูข้าวปลาไม่ต้องฉันแล้วท่านถ้ามีความสุขนะท่าน <c oughs> อ่ะสรุปก่อนก็นแล้วกันวันนี้พูดสรุปสรุปมันมีหลายเรื่องตั้งฐานไว้ก่อนนะเก่งดีมีสุขแล้วอยากจะบน่นว่า ดีมีสุขเนี่ยเก่งดีมีสุขเนี่ยมันสัมพันธ์กันมันไม่แยกกันนะเอาลองถามสิปัญญาคุณแยกกับกรุณาคุณกับพุระเจา้าไหมแยกกับวิสุทธิคุณไหมไม่แยกท่านท่านจะเริ่มอันไหนก็ได้เริ่มปัญญาคุณก็ได้แบบเถราวาสปัญญาคุณพุระเจ้ามีปัญญาตต่สรู้แล้วเป็นยังไงยังเห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ด้วยปัญญาทําให้เกิดการุณา เพราะอะไรเพราะพระองค์มีความสุขปัญญาคุณให้ไม่ตัดกิเลสทําให้เกิดวิสุทธิคุณเมื่อตัวเองมีวิสุทธิคุณก็มีความสุขเห็นแต่พวกเนี่ยมีความทุกข์เลยต้องออกไปเทศด้วยการุณาคุณปัญญาวิสุทธิกรุณาจึงพันกันสัมพันธ์กันเห็นไหมนี่เทราวาสมหายานเป็นยังไงมหายานบอกว่าผู้ประสงค์จะเป็นพระเจ้าต้องมีการุณาคุณเป็นฐาน ถ้าไม่มีกรุณาคุณก็เป็นพระอระหันต์สิเอาตัวรอดเป็นคนเดียวพวกนั่งตุ๊กตกอ่ะเอาตัวรอดแบบเทราวาดแต่เพราะคุณมีกรุณาต้องการช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์แม้แต่นรกก็ไม่ให้เหลืออยู่ในนั้นไม่ให้มีเหลือสรรนรกต้องลงไปโปรดกรุณาทําให้เกิดอยากเป็นพระผู้เทเจ้าอยากเป็นพระเจ้าทำไงต้องพัฒนาปัญญา พัฒนาบัพเพ็ญบา ร, รมีมีปัญญาแล้วเป็นไงวิสุธทธิมันก็สัมพันธ์กันอยู่ดีแหละท่านมาเรียนครูเพราะอะไรมาเรียนครูเพราะเรามีความรู้อยากจะถ่ายทอดอยากจะสอนไม่งั้นอกแตกจะพูดท่านมีปัญญาท่านก็เพิ่มการุณาเข้าไปเราก็สอนการุณาคุณจิตอาสาเข้าทีนี้ก็กลายเป็นจิตอาสาแลวหวังผลตอบแทนไม่หวังตาแหน่งหวังเงินไมไม่ วิสุทธิ์มันก็มาคนมาเป็นครูเพราะมีปัญญาก็มีจบเอกด้านอื่นอะไรอื่นมาสอนบางคนเนะเป็นเจ้าของบริษัทไม่เอาแล้วต่อไปเล็กเชื่ออย่างเดียวเห็นไหมทัวไปทั่วโลกหมดนายบิลเกตอะมีเงินมีทองมีปัญญาตอนนี้เล็เชื่ อ, อย่างเดียวเริ่มจากปัญญาบางคนมีกรุณาคือรักเด็กเมตตาการุณา เพราะฉะนั้นอยากอยู่กับเด็กอยากช่วยเด็กชนบทอยากช่วยเด็กยากจนสามเนรอะไรต่างๆแต่เราขาดปัญญาก็เลย ม, มาเรียนครูแล้วก็มีวิสุท ธ, ธิ์ธรมมานี่แสดงให้เห็นว่าครูจะต้องมีปัญญาวิสุท ธ, ธิ์กุณาสมรรถภาพคุณภาพสุขภาพเป้าหมายถามว่าสอนเก่งคือสอนเจนไหลครูในมอจลนี่เนะต้องเก่งกว่าครูข้างนอก ในมจรอต้องสอนสอนได้สี่สอครูข้างนอกเน้นเรื่องอะไรครับให้สอบให้ลูกศิษย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เขาเน้นข้อหนึ่งอย่างเดียวสรรทัศนาสอนได้แจ่มแจ้งเข้าใจติวแล้วโอ้โหสอบข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบได้ข้อเดียวแต่ครูในมหาจุฬาครูโรง เ, เ, งเรงเียนมหาวิในโรงเรียนพุทธศาสนาหรือโรงเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องมีข้อที่สองแจ่มแจ้งอย่างเดียวไม่พอ ต้องจูงใจให้เกิดศรัทธาครูที่เป็นครูอยู่เนี่ยสอนพระที่มาเรียนวิชาครูท่านต้องจูงใจให้เขาอยากเป็นครูเหมือนพวกเราพอดแบบมีไอดอลโออยากสอนเหมือนคณบดีมีไม่มีไหมเออใช้ได้โออยากเป็นอย่างนี้เป็นแบบเป็นต้นแบบนดิโองค์นี้เข้าสอนนี่เทคนิคก็ดีอะไรก็ดีนะ ต่อไปเนี่ยสังเกตไว้ตอนเราเป็นเด็กนักเรียนประถมอยากเป็นอะไรต่อไปอยากเป็นครูเด็กเล็กๆเนี่ยมันมีมันมีการจูงใจทันทีเลยจูงใจในวิชาชีพแก้วกล้าสมุตเตชนะแก้วกล้าไม่ใช่เด็กทุกคนเก่งไปฝึกสอนเนี่ยเราจะปลูกใจให้กําลังใจเขาอย่างไรแก้ไขยอย่างไรให้กําลังใจให้กล้าพูดหน้าชั้นวัดประยูนฝึกอบรมนักเทศเนี่ยต้องให้กล้าขึ้นธรรมา ปอทศเนี่ยฝึกสอนก็ต้องกล้าและสัมปะหลังสนาสังปังสัมปหลังสนาล่าเลิงมาเรียนกับเรานี่ไม่ใช่จะตายวันตายพรุ่งคนสอนก็มีความสุขคนเรียนก็มีความสุขมีความสุขในวิชาที่เราได้เรียนนี่แหละถ้าเนี่ยผมเนี่ยนะถือคตินี้เลยสอนธรรมะเนี่ยคน คนเขาจะคอมเมนต์ผมเนะี่ยผมไม่ได้พูดตลกนะซีรีสนะแต่มันสนุกในเรื่องใช่ไหมพี่น้องอาแค่นี้ท่านก็นหัวเราะแล้วไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยชี้ผิดนะต้องชี้องค์หนึ่งนะขอโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวเราะเลยพี่น้องเป็ต้องชี้องค์หนึ่งทีนี้กลายเป็นว่าอย่างไงครับ สอนธรรมะไม่ใช่ตลกคาเฟ่นะมันต้องมีธรรมะปีติธรรมรสเรียนแล้วมีความสุขมีกําลังใจอยากเรียนอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นท่านประเมินตนเนี่ยนะสอนดีต้องมีสี่สทีนี้ใครจะจบขันทุศาสตร์นะประเมินเลยนะครับคนไหนได้สี่สอฝึกสอนได้สี่สอนแจ่มแจ้งเหมือนเห็นด้วยตา เวลาพระทีเจ้าเทศนะเนี่ยคนจะชมอภิษกันตังโพโคตมะอภิษกันตังโพโคโคตมะเจมแจ้งนักพระองค์ผู้เจริญแจมแจ้งนักพระโคโดมผู้เจริญฟังเทศของพระองค์นั้นเหมือนจุดประทีปในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางหายของที่ความมีไม่ใครชมเราอย่างนี้อาจารย์ประเมินโอ้โหได้หมดเลยแต่ไม่ใช่บอกโอ้โหเกือบจะเข้าใจแล้วเหมือนดับเทียนน่ะความเลยเน่ะ โอ้ยอย่างนี้ไม่ให้ผ่านคนไหนสอนได้แจ่มแจ้งจูงใจใกล้อกกล้าล่าเริงสนุกสุดท้ายเลยสันทศนาแจ่มแจ้งสมาธิปนาจูงใจสมุตเตชนาะใกล้อกกล้าสัมหังาสนาล่าเริงครูในมหาจุฬาเนี่ยได้4สออให้ A หมายถึงการฝึกสอนนะไอวิชาการอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนไปฝึกสอนเนี่ยดูสี่เรื่องกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วแต่ให้ A เลยครับคนไหนได้สามสครับ ท่านคณะบดีให้บีในการฝึกสอนนะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะได้สองสอให้สี่หนึ่งสอให้ดีไม่ได้สักสอหนึ่งให้ไปทำอาชีพอื่นสงสารนักเรียนนี่สจศนต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะ จะตู่สดมของการศึกษาคณะครุศาสตร์ต้องสอนให้ครบ4เรื่องครับยูเนสโกกำหนดไว้หนึ่งใครมาเรียนครุศาสตร์ต้องมีความรู้เพิ่ม learning to know สองใครมาเรียนครุศาสตร์ต้องมีทักษะในการสอน To ดูสอนเป็นได้สสอข้อที่ส learning to live to g e t e r เรื่องมนุษยสัมพันธ์ต้องเยี่ยมเพราะต้องเข้ากระสิทธ์ได้ ยิ่งบริหารการศึกษาด้วยนะขาดข้อสามนี่ไปทำอย่างอื่นเถอะแล้วข้อที่สี่ learning to be คือมีความสุขเป็นคนมีความสุขยูเนสโกตั้งมาตรฐานไว้สี่ข้อ learning to know เรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อทำเรียนเพื่ออยู่ร่วมกันเรียนเพื่อมีความสุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หลักสูตรท่านมีให้ครบเลยแล้วก็มีกระบวนการในการเรียนการสอนครบ ถามว่าเป็นคนดีเนี่ยนะ l e ่า n ์นิครูที่ดีเนี่ยไปช่วยเปิดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งรัฐบาลตอนนี้ประกาศเป็นแผนแม่บทแล้วลูกศิษย์เราจะต้องดีในเรื่องอะไรบ้างนอกจากสอนเก่งนะต่อไปใ้เรื่องเป็นคนดีนะคือแผนแม่บทฉบับที่หนึ่งเนี่ยผ่านคอลมอแล้วประกาศเป็นวาระแห่งชาติปีห้าเก้าถึงหกสี่กำลังใช้ ตามมาติคณะรัฐมนตรีปีที่แล้วขอให้คนดีในประเทศไทยมีลักษณะสี่ประการในยุคนี้ยุค 4.0 นะยุคอื่นผมไม่พูดนะ 4.0 ครูดีต้องมีลักษณะสี่ประการครูเก่งต้องในสี่สอครูดีก็ต้องมีธรรมะสี่ประการตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติถ้าไม่ได้ตรงนี้ไม่ผ่านอีกดีไม่ดีนะ คลรมอบอกโอ้ที่นี่ไม่ได้คุณธรรม4ี่ข้อเลือกอะไรบ้างครับเป็นแผนแม่บทคุณธรรมสี่ข้อหนึ่งต้องพอเพียงพอเพียงทำให้มีความสุขจะไม่สุขภาพมีวินยัยเด็กในอเมริกาเนี่ยชอบเดินเข้าแถวครับไม่ลัศสนามหญ้าสร้างแคแรคเตอร์ให้เด็กไทยเนี่ยครับเรื่องระเบียบวินัยมันจะได้ไม่ทะเลาะกันทาอะไรก็เป็นระเบียบ คนไทยได้ทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้เนี่ยไม่เอาแล้วต่อไปเนี่ยคาแรคเตอร์ของเด็กรุ่นใหม่4ี่ศูนต้องมีวินยัยพอเพียงตามประยัติเศรษฐกิจพอเพียงก็จะอยู่หัวมีความสุขเพราะมีวินยัยทำอะไรพร้อมกันเป็นระเบียบสุจริตเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยมันมีกับดักเพราะทุจริตคอร์รัปชันถึงขนาดทั่วประเทศต้องเทศนสสุจริต ทำมรรคาเนี่ยต้องเอาไปสอนนะครับอยำมาแจกอย่างเดียวเอาไปสอนทุกทุกคนนี่เรื่องสุจริตนะอยู่นี่นะเอาคืนด้วยนะและสุดท้ายครับจิตอาสาครับพัฟฟนะิคไมน์น่ยจิตสาธารณะต้องออกมาช่วยถามหน่อยครับครูถ้าไม่รู้จักพอเพียงไม่มีความสุขนี่มันจะอยู่อาชีพครูได้ไหมต้องไปทำอาชีพเสริมแล้วจะมีเวลาอยู่กับเด็กไหมไม่มีครับ แค่จะเลื่อนสีเนี่ยต้องไปทําวิจัยแล้วครับอยู่กับเพเปอร์ทุกวันนี้เขาบอกไม่เอาเราต้องสอนถึงจะได้เลื่อนสีนี่เขากลับมาใหม่มีวินยัยสอนให้เด็กมีวินยัยครูเองก็ต้องมีวินยัยเวลาเวลาไปอบรมพระไปอบรมเนี่ยไม่อยากไปเป็นยักษ์กรอยู่อาชีพหนึ่งพูดแล้วเขาไม่ฟังเราพระใหม่ๆเนี่ยนักพูดใหม่ๆนะคือไปอบรมครูครับครูกัลาว่าเนี่ยเพราะแกสอนประจําพอมาฟังเราคุยกันเน่ะเออเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ต้องมีวินยัยเท่าที่ประชุมข้อที่สาสุจริตก็ชัดอยู่แล้วนะเนี่ยไม่งั้นไม่มีสุจริตธรรมกถาเนี่ยทั่วประเทศหรอกแล้วข้อที่สจิตอาสาครูจะต้องมีความสุขกับการเป็นผู้ให้อาสาทำประโยชน์นำเลยนำเด็กออกพัฒนาอะไรต่างๆนี่นะครับสี่ประการยืนยันเรื่องนี้ครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทวิจัยครับ เมื่อปีสองพันสี่ร้อแปดสิบเอ็ดวิจัยนิสิตรุ่นนั้นเนี่ยนะครับในปีนั้นเนี่ยนักศึกษาปีนั้นเนี่ยหาาวอว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยชีวิตต้องการอะไรมีความสุขตรงไหนเขาศึกษามาจนปัจจุบันนี้มีพออสี่คนที่สี่แล้วลาออกบ้างตายบ้างตอนแรกเนี่ยเราเรียนครูจบไปเนี่ยต้องการเป็นอะไรท่านต้องการได้เงินเงินเดือนใช่ไหมเราจะเอาแรงจงใจเงินเดือนมาก หนึอยากได้เงินสองอยากได้เกียรติอยากได้กล่องอยากได้อำนาจครูฝันทีครับเรียนคณิตศาสตร์เพื่ออะไรเพื่อเงินเพื่อเกียรติเพื่อกล่องเพื่ออำนาจเสร็จแล้วเขาตามดูครับทุกสองปีเขาจะสัมภาษณ์นิสิตที่เรียนจบนจาก Harvard ์เนี่ยรวมถึงคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยด้วยสองกลุ่มกลุ่มที่ไม่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย น, นะครับ4ี่ห้าสิคนเรียนมหาวิทยาลัย2องร้คนตั้งแต่ปีหนึ่ง แล้วก็ตามดูจนกระทั่งตายไปจำนวนมากแล้วตอนนี้ที่เหลืออยู่อายุเก้าสิบในนิสิตรุ่นนี้นะครับเป็นประธานาธิบดีหนึ่งคนคนนี้ครับที่วงกลมเนี่ยจอห์นเอฟเคนเนดีครับในรุน่นนี้เขาสัมภาษณ์ทุกสองปีนะครับสามญาติด้วยอะไรด้วยแล้วเสร็จแล้วนะครับหลังจากสำรวจมาครบปัจจุบันนี้แปดสิบปีเนี่ยเขาได้บทสรุปแล้ว ถามคนที่เรียนจบไปคุณไปหาเงินได้เงินและเป็นยังไงได้อํานาจและเป็นยังไงในสุดชีวิตคนต้องการอะไรและใครอายุยืนที่สุดในบรรดาพวกกันไอ้ที่อายุยืนเพราะอะไรมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิต ด, ดีเพราะอะไรมีเงินนอะไอ้พวกมีเงินตายไปแล้วไอ้มีอํานาจเลอโดนยิงตายไปหนึ่งคนประธานาธิบดีเออแล้วโซนแล้วคนที่อายุยืนแล้วมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิต ด, ดีเพราะมันแสวงหาอะไรเขาตอบเลยครับเขาบอกว่า มหาวิเลย์ฮาเวอร์เนี่ยนะครับศึกษาเกือบสิบปีเนี่ยได้พิสูจน์ว่าใครอายุยืนและมีความสุขที่สุดตอบว่าไงครับนี่ครับคือผู้ที่ห า, าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี Good Relationships ครับคนไหนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ปริมาณนะครับคุณภาพ มีเพื่อนสนิทมีครอบครัวที่ดีรักกันอะไรกันมีพ่อแม่พี่น้องที่ดีหรือทำงานเพื่อสังคมคนเหล่านี้ครับอายุยืนและมีความสุขความสุขมันอยู่ที่ผู้อื่นครับเข้ากับคนอื่นได้ดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตรงกันข้ามครับถ้าคนอื่นมีแต่ปลาปะมิตรไม่มีกัะเนมิตรนะจ้องแต่จะทำร้ายเราจ้องแต่จะขัดกันต้องอะไรต่าง ไม่มีความสุขเลยครับในที่ทํางานก็เหมือนกันใช่ไหมเลือ้อยขาเก้าอี้กันอยู่ทะเลาะกันอยู่นี่ไม่มีความสุขแต่ที่ไหนมีความสามัคคีกันเนี่ยนะครับในที่ทํางานครูเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันเนี่มีความสุขมากครับอยากทํางานอยากทุ่มเทเงินก็ไม่มีความหมายครับเพราะฉะนั้นคนที่อายุยืนมาจากความสัมพันธ์ที่ดีโค้ชเลเยชันชิพดีกว่า iQ คอีกครับคนที่มี iQ สูงตายเร็วก็มี คนที่ยีนนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอายุยืนตายเร็วก็มีครับแต่คนที่ปู่ย่าตายายอายุไม่ยืนแต่เป็นคนมีความสัมพันธภาพที่ดีมีความสุขกับการทํางานร่วมกัคนอื่นสุขภาพจิตดีเนี่ยนะครับอายุยืนครับผลแปดสิบปีของการค้นพบเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยครับจิตอาสาเนี่ยนะครับพอเพียงมีวินัยก็อยู่ร่วมกับคนอื่นใช่ไหมพอเพียง มีวินัยพอเพียงคือไม่ไปโกงไทยไม่ไปแกล้งไทยเย น, นะสุจริตก็เช่นเดียวกันจิตอาสาก็คนอื่นทั้งนั้นเลยถ้าท่านมีสี่อย่างนี้ท่านจะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขรับรองครับผลผลิตเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยคณะคารุศาสตร์เขาบอกว่าโลลินสีสความเหงามันฆ่าฆ่าคนพอๆกับซูบุรีและแอลกอฮอล์ บางทีสุโขทัยติดเล่าเพราะอะไรมันเหง า, านะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเออบางวัดเนี่ยเจ้าวาดอยู่องค์เดียวเลยนะโอ้มรณภาพเมื่อไรก็มีใครรู้ไม่มีมนุษยสัมพันธนะ์อ่ะมันมีความสุขที่ไหนท่านต้องออกมาเทศมาสอนมาทำประโยชน์เนี่ยอย่างเงี้ยโออายุยืนแน่เลยเนะี่ย โ, โอ้ดีไม่ดีไปถึงมสเลยเนี่ยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นฟรานซิสเบคอนเนี่ยนะครับ สรุปว่ามิตรภาพ friendship double joy and cut grief in half มิตรภาพเพิ่มความสุขเป็นสองเท่าลดความเศร้าหรือเครื่องเดียวนี่ฟรานซิสเบคอนนักปรัชญาพระพุทธเจ้าสอนว่าไงรู้ไหมพระอนุตบอกว่าความสุขเรามาจากสองอย่างหนึ่งจากเราเองสองคนอื่น ความสำเร็จมาจากเราเองคนอื่นพุทธิจ้าบอกไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นอ น, อนุนคุณเจ้าตอบว่าอ น, อนุนความมีมิตร ด, ดีสหายดีพวกดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยทีเดียวบรมครูนี่แหละสำคัญที่สุดที่ทำให้คนบรรลุธรรมสารีบุตรต่อให้ฉลาดเท่าฉลาดก็บรรลุธรรมไม่ได้ต่อเมื่อมีบรมครูบรมศาสดาฉะนั้นกลายาณมิตร กาลยาณสหายเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของพรหมจัน๋นชีวิตของการอยู่ร่วมกันในศาสนากาลยาณมิตรกาลยาณสหายเป็นเนื้อเป็นตัวของการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ครับสักกละเมวาหีทางเลยนะใครไม่เชื่อนะเขาถือว่าขัดพุทธบมครับจํำมาไว้ครับครูต้องเป็นกาลยานามิตรอย่าให้ลูกศิษย์เครียดอย่าปรับตกบ่อย ต้องช่วยให้สอบได้อย่างมีคุณภาพเป็นคนดีและมีเป็นคนเก่งนะครับนั่นก็คือครูต้องทําอะไรครับญาติตรงนี้คือวิาสาสะประมาตินะเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนกันยานมิตรช่วยดูแลลูกศิษย์กันใครมาเรียนมหาจุฬาต้องอบอุ่นต้องดูแลกันนั่นแหละเขาจึงจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ทีบอกว่าถ้าครูสมัยก่อนทํางี้ครูรุ่นหลังครูเหล่านั้นก็จะได้รับความกตัญญูได้รับการบูชา แต่ถ้าครูเหินหางนะครับเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์นะเข้ามาพูดูๆเสร็จแล้วก็ไปเลยไม่รู้จังลูกศิลป์เนี่ยล้มเหลวนะครับในในแพทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยมหิดลเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอนได้เกือบทุกวิชาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียนทางคอมพิวเตอร์ก็ได้เรียนทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เรียนทางไกลก็ได้แต่มีวิชาเดียวที่ใช้คอมพิวเตอร์สอนไม่ได้ คือจัญญาแพทย์ครับทำยังไงจะให้แพทย์เป็นคนดีเนี่ยต้องเรียนกันอย่างนี้ครับครูจะต้องมาเป็นต้นแบบถ้าเรียนทางคอมพิวเตอร์นะพ่าตัดเก่งใช่ไหมวันดีคือดูแพทย์ก็ไปทาปัดคนข้างๆนั่นแหละไอคุณธรรมมันไม่เข้านะนะการจะปลูกฝังคุณธรรมมันไม่ใช่ใช้เครื่องจักรครับ ครูจะต้องมีชีวิตชีวามาอยู่ให้เห็นเพราะฉะนั้นจึงสรุปว่าอย่างไงครับครูจะต้องสอนให้รู้มาเข้าห้องสอนนะครับทำให้ดูอยู่ให้เห็นความล้มเหลวในการศึกษาไทยก็คือครูเอาไปแต่ทำวิจัยเพื่อเลื่อนสีไม่มีเวลาให้ลูกศิษย์เมื่อไม่มีเวลาให้ลูกศิษย์ก็ไม่มีเวลาสอนให้รู้ อ่านหนังสือไปอ่านไปทํางานรายงานส่งให้คะแนนครูไม่ให้ความอบอุ่นกับลูกศิษย์ไม่ได้สอนให้รู้ไม่ได้ทําให้ดูคือสาธิตเช่นเราบอกว่านักเรียนทั้งหลายต้องคิดเป็นนะการคิดเป็นทําไมเด็กไทยจะคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นเนี่ยเด็กมันไม่ได้มาเรียนวิธีคิดจากตาํารามันดูครูสอนว่าคิดเป็นไหมวิเคราะห์เป็นไหมวิเคราะห์ในขณะสอนให้เราเนี่ย เด็กมันถึงจะวิคิดเป็นวิเคราะห์เป็นผมสอนปรัชญาเนี่ยนะครับปรัชญาจะต้องเป็นนักคิดไม่ได้สอนว่าพลาโตอะลิสโตเทลคิดอย่างไรครูนี่แหละคิดให้ดูเอาสถานการณ์จริงกันเลยมาวิเคราะห์ให้อย่างที่พูดมาวันนี้ทั้งหมดเนี่ยคิดวิเคราะห์ให้หมดเลยนะครับเออตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เอาฝรั่งมาอะไรมาไม่เอาฝรั่งมาทั้งนุดนะออสมรรถภาพคุณภาพสุขภาพเก่งดีมีความสุขไม่มีใครทําให้หรอกท่าน คิดให้ปัญญาคุณพิสูจิ์ที่คุไม่มีใครเชื่อให้ผมคิดนะครับเวลาเอาไปพูดต่ออ้างผมบ้างอืมจัญญาครูเออโอ้ยนี่คือตัวอยา่างนี่คือสอนคุณธรรมเวลาผมตีความวคิดวิเคราะห์นี่ท่านอย่านึกว่าไอ้ที่ผมมาพูดนี่นะไม่ได้ผ่านการวิเ ค, คราะห์ไม่ได้ผ่านการย่อยเราป้อนอาหารให้ลูกนกเราต้องคำคำข้าวให้มัเล็ก ต้องเคี้ยวก่อนแล้วป้อนสาริกาป้อนเหยื่อนะ่ะนี่คือทําให้ท่านดูถ้าท่านลองเอาไปสอนอย่างนี้สิเอาเรื่องหัวข้อเหล่านี้ไปสอนโดยไม่คิดไม่วิเคราะห์เนี่ยลูกศิษย์ก็จะทําทแบบเดียวกันแล้วไปสอนแล้วลูกศิษย์คนเรียนมันก็ไม่รู้เรื่องก็ท่องไปไม่ได้คิดและการที่จะสอนให้คนคิดครูต้องคิดให้ดูต้องวิเคราะห์ให้ดูอย่างที่ทําวันเนี้ยนี่คือครูนะครับแต่เป็นเจ้าคุณ ไม่ใช่พระครูเออเราฉะเรียกให้ถูกเจ้าเรียกพระครูเลยแต่จังหวัดนนะีพระครูคือใหญ่สุดนะโอ้ทีนี้ทีนี้สอนให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่ให้เห็นเนี่ยเป็นกําลังใจครับสมัยเป็นคณะบดีนะคณะบริวายเนะี่ยปริญญาไม่รับรองครับรับรุ่นแรกหกห้าเกือบหกสิบรูปเรียนจบกันเป็นส่วนใหญ่มาเป็นรองอธิการบดีก็มีรุ่นแรกเลยนะ โดยปริญาไม่รับรองเพราะอะไรครับคณะบดีต้องเข้า ท, ที่ทำงานทุกวันครับไม่ได้สอนหรอกไปเทศที่ไหนมากลับมาให้เขาเห็นเรามีปัญหาเข้าถึงหมดไม่ใช่มาผ่านเลขาหน้าห้องก่อนมีปัญหาอะไรมาเลยในฐานะอาจารย์พบนได้ตลอดเวลากาเรยนมิตรครับเพราะฉะนั้นจึงจึงบอกคณะบดีทั้งหลายว่าหรือผู้บริหารทั้งหลายเวลาท่านบริหารท่านต้องมีเวลาให้ลูกศิษย์ สอนตรงไม่ได้เนี่ยเขาให้มาปฐมนิเทศมาทำอะไรอย่างวันนี้ท่านระเกีจไหอธิการบดีรับเนะงานแค่นี้ก็มานะเพราะมันเป็นโอกาสที่จะพูดกับลูกศิษย์เยอะแต่เวลาที่จะไปเข้าสอนมันไม่มีบางทีท่านเรียนจนจบยังไม่เจออธิการแต่จะเห็นกับแบบนี้นี่ก็คือมีเวลาให้ในการบรรยายในการสอนนอกเหนือจากอสอนเองแล้ว ก็จะมีปฐมนิเทศมีจะเห็นว่าในหอประชุมอธิการบดีเนี่ยใช้บ่อยที่สุดเพราะมีงานที่จะนิมนต์อธิการบดีอันนี้อันนิมนต์อธิการบดีอธิการบดีไปทําอะไรไม่ได้เป็นนั่งเป็นพิธีอย่างเดียวพูดสอนให้รู้ทําให้ ร, หรู้อยู่ให้เห็นแต่ที่ทํามนิวไม่ได้อธิบายแต่วันนี้มาสอนครูก็ต้องบอกถอดรหัสให้เดี๋ยวผ่อครูชิดไม่เป็นว่าทําอะไรโอ้อธิบายทุกขั้นตอนเลยครูจะได้ไปทํากัน สอตั้งแต่คณะบดีนะมีเวลาให้ลูกศิษย์เข้ามาอะไรมาสอนให้รู้ทําให้ดูแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนผมเป็นอธิการเนี่ยชอบตั้งลําโพงอภิปรายผู้ไว้ไว้ไวางใจอธิการบรีและผู้บริหารมันแยกมันมีช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับนิสิตเพราะกว่าจะพบอธิการมันมีหลายขั้นแต่ผมไม่มีละผมเป็นครูมีเวลาให้ผมสอนผมก็สอนผมก็พูดผมก็เทศเไม่มีใครมีสอน น, น้ำพนก็เอานี่ นี่คือวิญญาณครูเพราะฉะนั้นผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่มันอีกเรื่องหนึ่งแต่ครูกับสิทธิ์มันไม่มีช่องว่างนั่นเมื่อไม่มีช่องว่างตรงไหนก็พบตรงไหนก็สอนสัมภาษณ์ปริญญาสัมภาษณ์วิเนพนเนี่ยบางคนมาแล้วถ้าไม่ได้สัมภาษณ์ที่การบดีไม่จบเอาก็ต้องให้ไม่รู้ไปขู่กันทำไมเนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสรุปแล้ว สอนให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นพันธกิจของครูยุคสสอนสี่จุดศูนครูจะต้องเป็นคนเก่งสอนให้ได้4สแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริงเป็นคนดีในยุค 4.0 ตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติซึ่งรู้ดีเพราะเป็นกรรมการเออคุณธรรมแห่งชาติช่วยกันคิดอยู่แล้วเอามาให้พวกท่านช่วยกันทํา4ตัวนะครับพอเพียง วิในสุดจริตจิตอาสาทำได้สีอย่างเป็นคนดีครับเก่งและดีไปด้วยกันในยุค 4.2 0 0ครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับในที่สุดนี้ขอบุญกุศลที่ทุกท่านทุกรูปทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปจงมารวมกันเป็นตบบะเป็นเดชาเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้บุรพาจารย์ผู้่วงลับ ได้โปรดอนุโมทนาบุญเพื่อสำเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติในซ้ำปรายาพสมทังเกตนาปารบทุกประการอันหนึ่งบุญกุศล น, นี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปทวนรายทั้งปวงประสงค์จำงหมายสิ่งใดก็ไอพันสเร็จสมโมโนรถมุ่งมัดปราถนาทุกประการตลอดกาลละนาน เทนสาธ <สา S 1> ุ